ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 ท่านทุกที่เคารพคะมาอีกแล้วนะคะสำหรับรายการสันสนีสนทนาเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบรายการก็คือดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะที่จะมาดําเนินรายการสันสนีสนทนานี้โดยในวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยในช่วงของถามโลกตอบธรรมท่านก็จะได้พบกับพระาอาจารย์ไพบุญอภิปุโน จากวัดป่าดอนหโศกจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็จะมาอธิบายขยายความในประเด็นที่ดิฉันได้หยิบยกออกมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดนั้นเนี่ยมาอธิบายขยายความอย่างไรได้หรือไม่ทีนี้พอมาถึงวันพระหัสสบดีกับวันศุกร์เนี่ยนะคะจะเป็นการที่ให้ทุนฝั่งที่เริ่ม เกิดความสนใจในคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังพระสูตรต่างต่า ง, างอย่างเต็มๆมพระสูตรโดยมีพระมารชาคาวโรวัดนาปพงลำลูกกาคลองสิบนะคะที่ท่านจะได้เลือกเอาพระสูตรที่คิดว่าสมควรที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังในห้วงเวลานั้นๆเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังซึ่งก็จะมาจากหนังสือในชุดจากพระโอษนะคะไม่ว่าจะเป็นคุ้มทราบจากพระโอษหนังสืออริยสัจ จากพระโอษฐ์ทั้งภาคต้นภาคปลายหรืออาจจะในบางครั้งเป็นปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ก็แล้วแต่ท่านนะนะคะสําหรับในวันนี้ท่านก็ได้เตรียมมาแล้วชื่อเรื่องน่าสนใจมากค่ะาจากคุ้มทราบจากพระโอษฐ์ชื่อเหมือนนิทานเลยแล้วก็ดีฉันอยากจะกล่าวเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับพุทธวจนะนะคะว่า ถ้าลองเป็นชื่อแบบเนี้ยจะเป็นการที่พระพุทธองค์ของเราเนี่ยทรงอุปมาอุปไมยแล้วอุปมาอุปไมยของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเป็นอุปมาอุปไมยที่ทําให้เราได้เห็นภาพชัดมากจะเข้าใจในธรรมที่ท่านอธิบายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีเดียวค่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเนี่ยดิฉันเองก็เคยทํางานที่สภาก็สนใจติดตามมาตลอดที่มีข่าวว่า จะสร้างสภาใหม่จะย้ายสภาใหม่เขาก็ตัดสินกันไปแล้วนะคะสำหรับแบบของรัฐสภาแห่งใหม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรยังไม่เห็นด้วยตาค่ะอ่านจากหนังสือพิมพ์และชอบชื่อที่เอามาพูดก็เพราะว่าชื่อเป็นเกี่ยวกับธรรมะที่รายการนี้พูดกันอยู่เป็นประจำแบบที่เข้ารอบห้าเจ้าด้วยกันเนี่ยเขาเลือกเอาหนึ่งเจ้า คือแบบที่ชื่อสัปปายะสภาสถานสัพปายะคืออะไรอธิบายว่าแปล ว, ว่าสบายถ้าในทางธรรมเนี่ยมหมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดีซึ่งคุณธีรพลนิยมนะคะผู้ออกแบบชนะเลิศเนี่ยก็บอกว่าสมัยก่อนถ้าเกิดวิกฤตกษัตริรย์จะสร้างสถานที่เพื่อปลุกขวัญกำลังใจโดยการดำเนินชีวิตทางโลกิยะ จะมีโลกุตระคือทำกํากับวันนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตเกิดความเสื่อมของศีลธรรมต้องฟื้นจิตใจของคนในชาติก็จึงนําเอาแบบสถาปัตยกรรมไทยตามแผนไตรภูมิตามพุทธคติเป็นแรงบรันรดาลใจในการออกแบบโดยมีอาคารเครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทยอยู่ตรงกลางอาคารแล้วก็บอกว่ามองไปไกลคือจะเป็นโอกาสที่จะเป็นรัฐสภาในระดับโลก เพื่อฟื้นสันดิภาพและจิตวิญญาณของมนุษย์โลกโดยสถาบนาเขาพระสุมเมนครั้งใหม่ในยุคราตนาโกสินโอ้โหน่าสนใจมากลองจินตนาการกันต่อไปนะคะคือถ้าสภาบป็นธรรมดิฉันว่าคนอนุโมทนาเลยแล้วก็ในความรู้แบบนี้บังเอิญ น, นะคะท่านมาร์คชาคาวโรเนี่ก่อนอที่ท่านจะมาบวชท่านก็ เป็นอาจารย์สอนวิชาสถาปัปตยกรรมนะะ่สถาบันิกเนี่ยเดี๋ยวจะไปกราบเรียนถามท่านนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้บ้างสถานที่เนะี่ยมันเกี่ยวกับจิตใจคนไหมนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านในช่วงถามโลกตอบธรรมคะ่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ่งปัญญาในสัสนีสนทนา สวัสดีครับผมพิษนุนเอ็นลัดวันนี้ผมมาแนะนําทริปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแก่ฝากสลากลอตเตอพิเศษชกใหม่อายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์ลุนโดเบ้นถึง10บคันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบ้นเดือนะคันสเดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3าคันรวยแถมลุนรางวัลที่1นึรวมยล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบี้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุ้นรดเบ้นก่อนถึงสามสิบนสายนี้นะโทรเลยหนึ่ห้า ตอบถามท่านฟั่งที่รอคอยฟังพระมาชาคาวโรตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพบกับท่านแล้วนะคะพระมาชาคาวโรวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิทิในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะนุสกากับทัานคะ่นะเจริญพรวันนี้ขออนุญาตแบ่งเวลาของพระสู่สักนิดนึง น, นะคะ <c oughs> <c oughs> ท่านฟังแล้วอยากจะเรียนถามท่านนะคะ <c oughs> คือเจตนาคนออกแบบเนี่ยเขาคาดหวังให้สภาเป็นธรรมและอยากทราบว่า ความรู้ทางด้านสถาปัตย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันจริงเหรอคะที่สถานที่เนี่ยมันช่วยกล่องกล่าวจิตใจคนได้น่อันนี้แน่นอนถ้าถ้าย้อนไปถึงความรู้ที่ที่เคยเได้ศึกษามาเพราะว่า อ, อย่างอย่างง่ายๆบ้านเนี่ยถ้าบางทีบ้านคนเนี่ยที่ที่เต็มไปด้วยเป็นตึกอย่างเดียวเป็นแต่ผนังกอยจับพูนอย่างเดียวไม่มีต้นไ ม, ไม้มีอะไรเลยเขาก็จะ ลังสื่างจิตใจก็จะแบบว่าแสวงหาความโปรง่งความโล่งหรือว่าต้นไม้สวนต่างๆเราเลยเห็นในปัจจุบันเนี่ยบางทีการใช้คอนเซปต์ของพวกต้นไม้หรือว่าให้ราวว่าเป็นบรรยากาศที่แบบชุ่มชื้นหัวใจเป็นเป็นสวนต่างๆมีในคอนเซปต์ของการเป็นบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานที่เนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อต่อจิตใจสภาพจิตใจ แล้วก็ในในอาคารนี้เป็นอาคารสาธารณะเนี่ยในหลายๆที่ก็จะพยายามออกแบบให้ให้มีผลกับกับคนที่เข้ามาใช้งานแล้วก็ใช้ใช้สอยพอสมควรยกตัวอย่างอย่างรัฐสภานในในเยอรมั น, ใ น, มนในเบอร์ลินเนี่ย<ะ>หลังคาเนี่ยเขาเขาทำเป็นโดเป็นกระจกให้คนท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเดินวนไดน้แล้วก็วันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถมองเห็นคนที่ประชุม พวกออสอสอที่ประชุมกันอยู่ได้คือคอนเซ็ปคือเน้นความโปร่งใสคือ ส, อสอสอเนี่ยประชุมอะไรกันอยู่เนี่ยคนทั่วไปก็เห็นได้ทันทีเลยคือเจตนาเนี่ยตั้งใจจะให้นักการเมืองได้ทราบว่าอยู่ในสายตานะไหมใช่ทําอะไรต้องโปร่งใสอ่าและท่านว่าอย่างนี้ที่โดยสรุปได้อ่านไปให้ฟังในช่วงแรกเนี่ยท่านคิดว่าจะเป็นความหวังได้ไหมคะ น, น่าจะได้แล้วอัด พ, พอมาศึกษาใ น, ในทางวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามองว่าอืมเราเพิ่มธรรมะที่เป็นนอกเหนือจากเรื่องของสถานนี้แล้วเนี่ยน่าจะเพิ่มธรรมะใส่จิตใจคนไปด้วยเลยเช่นอาจามาเล็กถึงว่าอย่างคําว่าสัพเพะสถานเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สันเสริญการที่ให้พระภิกษุเนี่ยวิเวกหลีกเลนเสพเสนาสะนะอันสงัดที่เป็นป่าแล้วก็ พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราเสพแสนาฏะะอังสงนสังหาเนี่ยสร้างความวิเวกเล็กเล่นให้กับกายแล้วก็เราเข้าถึงปฐมฌานคือและความคิดในทางอากุศลต่างๆและความคิดในทางการพยาบาทเปรดเบียงคือถ้าสถานที่เนี้ยนอกจากจะสร้างความสงบให้กับบุคคลแล้วอาจจะมี อยู่ตัวอย่างเช่นาพาสอสอนั่งสมาธิสามนาทีก่อนประชุมสร <c oughs> ้างความวิเวกให้กับจิตใจหมั่นมาละความคิดในทางการปฏิบัติเปี่ยนสักสามนาทีทุกวัน <c oughs> ใน่เี้ยอันนี้ก็ฝากเสริมไปเลยเผื่อคุณธีรพลนิยมแล้วก็ทางท่านผู้มีอำนาจ <c oughs> ทั้งหลายจะได้ยินนะคะว่าสร้างบรรยากาศสำหรับแบบนี้ด้วยก็ดีใช่เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้าไปเลย <c oughs> เป็นธรรมะทั้งในแง่ของสถานที่แล้วก็ทาง เออผู้ใช้ใส่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเนื้อหาเข้าไปใส่ด้วยแล้วเรื่องเต่ากับจิ้งจอกนี่จะช่วยให้สภาดีขึ้นไหมคะที่ท่านจะหยิบยกมา<อ>เล่าวันนี้คิดว่าจะาคุ้มซับจากพระโอษฐ์ใช่ใช่ไม่มนเลยคะ่ะ <c oughs> แต่ก่อแล้วเคยได้ยินพวก น, นิทานอิศวรที่เป็นต่อ ก, กับกระตายวันนี้จะลองฟังอุ ป, ปมาอุปไมของพระพุทธเจ้าที่เรื่องของเต่ากับจิ้งจอกค่ะท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่หเข้าในกระดองของตอนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ แม้สุนักจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีสับเป็นที่ห้าแล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้นกล้าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองอันนี้คือว่ามีเต่ากับสุนัขจิ้งจอกออหากินตามริมลํลาธารอยู่เต่าพอเห็นสุนัขจิ้งจอกก็หดอวัยวะหัวขาแขนเข้าไปแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่คืออยู่นิ่งๆไม่ไม่แสวงหาอะไรทั้งนั้นตลอดเวลาถ้า สุนากคิงจอกเห็นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเต่าไม่เต่าไม่โวรอาวายัย ว, วะออกมาสุนาร์คิงจอกก็จะกัดกินอะไรไม่ได้เลยพระพู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อแต่ว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมานผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาระยะอยู่เหมือนกันว่า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 ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผัพาดด้วยกายหรือได้รู้ธรรมรมณมด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลาโมกคืออภิชาและโทมนัต จะพึงไหลายไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้น กายและใจเธอพิสุท์ทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมานผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่า ก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่านั้นหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุเป็นตั้งความตรึกตึกทางใจไว้ในกระดองฉันนั้นเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แลค่ะ ท่านก็อุปมาอุบเหมือนกับว่าการที่เต่าหดอวัยวะเนี่ยก็คือให้พวกเราเนี่ยสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเมื่อเราคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมารผู้ใจบาปก็ไม่ได้ช่องที่จะทําให้อกุศลละมกเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ท่านจิงบอกว่าให้เราปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้คือรักษาและปึงความสำรวมซึ่งตาหูจมูกจิ้นกายใจ ม, มานก็จะไม่ได้ช่องแล้วก็จะต้องหลีกไปเองชัดเจนไหมคะท่านฟังท่านอุปมาดีมากเลยนะคะว่าเต่ากับสุนัขจริงจอบมันอยู่ด้วยกันแค่เล่าเปิดเรื่องเนี่ยคนฟังปุ๊บก็เกิดความรู้สึกอุยเต่าไม่เสร็ สุนัขจิ้งจอกไปเลยเหรอใช่เพราะเอินเต่าเจ้าปัญญานะคะเต่าก็เลยทำตัวแข็ ง, ขงไม่เอาเนื้อส่วนอ่อนออกมาให้สุนัขจิงจอกรู้สึกว่าเคี้ยวกัดได้ใช่นะคะหดไปหมดเลยทั้งแขนทั้งศีรษะทั้งขาแล้วก็สุนัขทำอะไรไม่ได้ก็เลยหนีไปใช่ไหมคะก็ตรัสว่า <K impressions> เหมือนกับคนแขนขาหัวเนี่ย เท่ากับอายตนะทั้งห้าเลยถูกไหมคะตาหูจมูกลิ้นก<ต>ายใจตาหู<ใ>จมูกลิ้นกายใจใช่สํารวมหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วก็อถ้าสํารวมหมดทุกอย่างแล้วมานผู้ใจบาปทำอะไรไม่ได้ทีนี้ฟังในส่วนที่ท่านบอกว่าออย่ารวบถือเอาทั้งหมดมหรือแยกส่วนเนี่ยอยากให้ท่านอธิบายคะ่ะก็คื อ, อได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมเห็นด้วยจมูกได้สัมผัสได้ลิ้มรสด้วยลิน้นได้สัมผัสผัสพลาด้วยกายหรือได้ รู้ธรรมรมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดคือว่ามีผัสสะกระทบปุ๊บหรือว่าผัสสะนี้เป็นเราอันนี้คือการรวบถือเราทั้งหมดหรืว่าอย่าได้แยกถือเป็นส่วนๆนั่คือว่าผัสสะนี้เกิดจากการที่ตาไปเห็นรูปแล้วก็มีวิญญาณทางตาเข้าไปรับรู้นี่คือเป็นตัวอย่างท่านก็บอกว่าไม่ให้แยกถือก็คือว่าอย่าถือว่าตานี้เป็นของเรา รูปนั้นรูปนั้นะก็เป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะมันมีความแตกต่างได้วิญญาณที่เข้าไปรับรู้ทางตาก็มีความแปลกโผล่เปลี่นแบลสื่อสลายได้คือคืออย่ายให้ไปถืออย่าไปถือว่าภาษานั้นเป็นเราอย่าไปถือว่าตารูปหรือแม้แต่วิญญาขนาดนั้นก็เป็นเราให้กระจายทุกอย่างออกล่าก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีความแปลกโผลไปเป็นปกต่คือทั้งแยกส่วนหรือกระจายแล้วไม่ให้ถือหมดหให้ นะคะต้องสำรวมรทั้งหมดแล้วก็มานก็จะทำอะไรไม่ได้ใช้คำว่าจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์ดีจังเลยค่ะคจงปฏิบัติเพื่อปิดกัน้นอินทรีย์บางคนบอกว่าแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยพอพูดถึงเต่ากับกระดองปุ๊บเนี่ยนะคะบางคนบอกแม้มันเหมือนกับ ยามเรายัางไงก็ไม่รู้ที่บอกว่าเมื่อขดหัวอยู่ในกระดองอเคยได้ยินใช่ไหมคะภาษานักเลงเนี่ยให้ออกมาดูโลกซะบ้างเลยใช่ค่ะอันนี้คนที่เขาพูดกับเราแบบนี้ถือว่าเป็นมารเลยไหมคะพวมารจะรับประทานเราอาตมาก็มองว่าพระพุทธเจ้าที่มองได้มุกก <c oughs> มกลับมองได้มุมละเอียดกว่าคื อ, อก็คิดว่าอย่างเตาเนี่ยก็จริงว่าอุปมาที่ว่าเออเมื่ อ, อแต่หดหัวอยู่นนแน่แหล่ออกมาไปเชิญโลกซะบ้าง แต่พระเจ้าบอกว่านี่ต้องทำตัวให้เหมือนมเต่าอยู่ในกระดองเพราะว่าถ้าออกมาแล้วไม่มีการสํารวมเนี่ยก็ะจะพาไปสู่โดนมาฉักจูงโดนมานำพวกอภิชาลและโทมานัสเพราะว่าธรรมชาติใช่ไหมคะที่ว่ า, าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ยอมอยู่เป็นมันจะเป็นสวางหาสิ่งที่น่ารักน่าพอใจได้ไปตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเถ้าเปลี่ยนไปก็เหมือนกับว่าจริงๆอากาก็คงจะไม่อยากจะหดหัวหดตัวอยู่ข้างในนั้นนะคะก็อยากจะออกมาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างแต่จริงๆแล้วข้างนอกนั้นมันอันตรายใช่เพราะว่ามันก็มีสิ่งที่จะทําให้เรา เ, รเพลิดเพลินไปก็นําไปสู่การยึดมั่นถึงมันค่ะยีรตตาหูจมูกเลี้ยกายใจมันก็เป็นท่าตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ไปรับรู้ก็คือว่าวิญญาณที่ที่ไปรับรู้ว่ามีรูปนะให้ตามาเห็นโดย เป็ยนยาไปรับรู้ว่ามีรูปผันลูกตาของเราแล้วก็ไปเพลิดพอใจในสิ่งที่เราเห็นเท่ากับว่าพระพุธงค์กำลังจะบอกว่ารุ่นเปล่า ว, ว่าไอ้ที่เราเป็นทุกทุกอยู่เนี่ยมันเกิดจากการที่ตาหูจมกูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆแล้วมันเกิดความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นใช่แล้วก<ท>าดความไม่ข้าคือ น, นี่คือไม่สํารวงไปไปเพลิดเพลินพอใจอยู่ตลอดเวลา เป็นาการพลอยพอใจอย่างหนึ่งไปสูการพอใจอีกอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆวิธีการที่จะสํารวมเราเป็นคนเนี่ยวิธียังไงคะท่างคะก็เน่้อง่ายๆกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะถ้าสมมติว่ามีรูปที่พอใจไม่ไม่พอใจถ้าเรามาสํารวมอยู่ที่กายปุ๊บความพอใจหรือไม่พอใจก็จะดับลงได้ทันทีค่ะแต่ว่าเราก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าเร <ๆ S 2> ามาอยู่ที่ลมหายใจแล้ว เมื่อกี้สัมผัสทางตาเอาเดียวหูได้ยินเสียงอีกแล้วทำไงนะคะท่านก็เดินกลับมาใหม่หรือว่ากับการทํางานในปัจจุบันแถมยังได้กลิ่นโชยมาอีกนะก็ต้องต้องสู้กับมันต่อไปใช้วิธีเดินกลับอย่างเดียวนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยค่ะก็จะไปใช้กับสภาได้เหมือนกันสรุปแล้วเอาไปใช้กับสภาได้เรื่องเต่ากับจิ้งจอก และใช้กับทุกๆ ท, ท่านได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นพุทธวจนะนะคะเป็นพระสูตรหนึ่งอยู่ในคุ้มทราบจากพระโอษฐ์ที่พระมารชาคะวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลอง1ิได้นำมาฝากให้กับท่านในช่วงของถามโลกตอบธรรมในรายการสันสนีสนทนาวันนี้คะ่ะน้อมสักการะพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเจริญพรถามโลกตอบธรรมท่านฟังคะ่ะ วันนี้เป็นวันพระหัสบดีก็จริงแต่ว่าในส่วนของซคสปีใหม่ที่เป็นร้อยแปดคาถาตถ า, าขออภัยค่ะร้อยแปดตถาคตพาสิทธ์นะคะที่พระอาจารย์พิบูลยพิบุ ญ, ญโนโดได้ทำมามอบให้จะมอบให้พร้อมๆกับท่านที่ขอหนังสือมาในคราวเดียวกันนะคะคือพุทธวัตรธรรมวินัยจาก พุทธโอษในฉบับที่ชื่อว่าก้าวย่างอย่างพุทธที่เราแจกกันอยู่เป็นประจำหมายเลข 02-269-0006 และ 02-269-0060 ค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษในส่วนของการบาเพ็ญบา ร, รมีในอดีตชาติครั้งมีพระชาติเป็นร ถ, ถการหรือว่าช่างทำรถค่ะตรัสแก่ภิสุทั้งหลายว่าในการดึกดำบัน ยังมีพระราชาทรงพระนามว่าปเจตนะตรัสเรียกช่างทำรถมารับสั่งว่านี่แน่สหายรถการนับแต่นี้ล่วงไปอีกหกเดือนสงครามจากมีแกเราเราอาจทำล้อรถใหม่คู่หนึ่งให้เราได้หรือไม่ช่างทำรถทูลรับว่าทำได้พระเจ้าค่ะครั้งนั้นช่างทำรถทำล้อได้ข้างเดียวเส้นเวลาหกเดือนหย่อนอยู่หกวัน เมื่อพระเจ้าปัเจตนะทรงทราบรับสั่งว่าน่ะสหายรถการก็เจ้าอาจจะทําล้อข้างที่สองให้สําเร็จโดยใช้เวลาเพียงหกวันนี้ได้หรือไม่ช่างทํารถกระทูลว่าอาจทําได้พระเจ้าค่ะที่นั้นเองช่างทํารถได้ทําล้อข้างที่สองสำเร็จโดยใช้เวลาเพียงหกวันเขาจึงไปกราบทูลว่าขอเดชะนี่พระเจ้าค่ะ ล้อรถคู่ใหม่ของพระองค์เสร็จแล้วพระราชารับสั่งถามว่าล้อข้างที่แล้วทำหกเดือนยอนหวันกับล้อข้างที่ทำแล้วในหกวันนี้ต่างกันอย่างไรช่างทำรถหมุนล้อข้างที่ทำแล้วหกวันให้กลิ้งไปมันกลิ้งไปพอสุดกาลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินและเขาก็หมุนล้อข้างที่ทำหกเดือนยอนหกวันให้กลิ้งไปมันกลิ้งไป สุดกําลังหมุนแล้วก็ตั้งตรงอยู่ได้เองราวกระติดอยู่กับเพลาพระเจ้าปเจตนะจึงตรัสถามว่าสหายรัการเหตุอะไรปัจจัยอะไรล้อข้างที่ทําแล้วหกวันนี้จึงกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแล้วจึงตะแคงล้มลงดินเหตุอะไรปัจจัยอะไรล้อข้างที่ทําแล้วหกเดือนย้อนหกวันนั้นจึงกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแล้วตั้งตรงอยู่เองได้ราวกระติดอยู่กับเพลาช่างทํารถทุนชี้แจงว่า ขอเดชะล้อข้างที่ทําแล้วหกวันนี้กงกรรมของมันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจอเนื้อผุและกระพีมันกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแล้วจึงตะแคงล้มลงดินส่วนล้อข้างที่ทําแล้วหกเดือนย้อนหกวันกงกรรมและดุมของมันก็ไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี มันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตั้งตรงอยู่ได้เองราวติดอยู่กับเปล่าพิกษุน์ทั้งหลายในครั้งนั้นเราเป็นผู้ฉลาดต่อความโคตรของไม้โทษของไม้และความมีเนื้อไม่บริสุทธิ์ของมันแต่การบัตรนี้เราเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดต่อความโคตรต่อโทษต่อกิเลสเพียงดังน้าฝาดทางกายทางวาจาทางใจ ภิกษุทั้งหลายความคดทางกายทางวาจาทางใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นก็หล่นไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทําละหกวันฉะนั้นความคดทางกายทางวาจาทางใจ โทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้าฝาดทางกายทางวาจาทางใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้เหมือนล้อรถข้างที่ทําแล้วหกเดือนย่อนหวันฉะนั้น นี่ก็เป็นการบําเพ็ญพระบรารมีในอดีตชาติอีกพระชาติหนึ่งซึ่งพอดีแก่เวลาที่เราต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนเลยนะคะติดตามรับฟังรายการสัสนิยสนทนาและดิฉันสนนิยนาคพงศ์กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรัสนิยสนทนาเวลา5้านาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสัสนิยนาคพงศ์ที่นี่ สทรอ f เอ็มวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน